212. ปังสุกูละปริเยสนะกถาว่าด้วยการสแสวงหาผ้าบังสุกุลเรื่องภิกษุรอกันและไม่รอ 341. สมัยนั้นภิกษุหลายรูปเดินทางไกลไปในแคว้นโกสนบางพวกแวะเข้าป่าช้า เพื่อหาผ้าบางสุกุลบางพวกไม่ยอมรอผู้แวะเข้าป่าช้าเพื่อหาผ้าบางสุกุลต่างได้ผ้าบางสุกุลผู้ที่ไม่รอพูดว่าท่านทั้งหลายโปรดให้ส่วนแบ่งพวกเราบ้างพวกที่ได้ผ้าบางสุกุลตอบว่าพวกเราไม่ให้ส่วนแบ่งแกพวกท่านทำไมท่านไม่รอเล่า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 แวะเข้าป่าช้าเพื่อหาผ้าบางสุกุลบางพวกรออยู่ผู้แวะเข้าป่าช้าเพื่อหาผ้าบางสุกุลต่างได้ผ้าบางสุกุลผู้ที่รออยู่พูดอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายโปรดให้ส่วนแบ่งพวกเราบ้างพวกที่ได้ผ้าบางสุกุลตอบว่าพวกเราไม่ให้ส่วนแบ่งแกพวกท่านทาไมพวกท่านไม่แวะไปเล่า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 บางพวกแวะเข้าป่าช้าเพื่อหาผ้าบางสุกุลก่อนบางพวกแวะเข้าไปทีหลังผู้แวะเข้าป่าช้าเพื่อหาผ้าบางสุกุลก่อนต่างได้ผ้าบางสุกุลผู้ที่แวะเข้าไปทีหลังไม่ได้ผ้าจึงพูดว่าท่านทั้งหลายโปรดให้ส่วนแบ่งพวกเราบ้างพวกได้ผ้าบางสุกุลตอบว่า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 สมัยนั้นภิกษุหลายรูปเดินทางไกลไปในแคว้นโกสนพร้อมกันแวะเข้าป่าช้าเพื่อหาผ้าบางสุกุลบางพวกได้ผ้าบางสุกุลบางพวกไม่ได้ผ้าพวกที่ไม่ได้ผ้าพูดอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายโปรดให้ส่วนแบ่งพวกเราบ้างพวกได้ผ้าบางสุกุลตอบว่า